ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวค่ะของอดรอาจองชุมสายณ์อุทยาวันนี้เรื่องรากของต้นไม้ใหญ่นานมาแล้วค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินกันมานานแต่ยังไม่มีบุตรให้อุ้มชูกระทั่งในที่สุด ฝ่ายภรรยาก็ตั้งครันและคลอดบุตรชายผู้เป็นยอดดวงใจของพ่อแม่ออกมาคนหนึ่งสองสามีภรรยาได้ตั้งชื่อให้บุตรชายของตนว่าขวัญฟ้าขวัญฟ้าเป็นเด็กชายหน้าตาน่ารักน่าชังใครได้พบเห็นก็อดชื่นชมหยอกล้อด้วยความเอ็นดูไม่ได้หากนี่คือความรู้สึกของผู้อื่นแล้ว แน่นอนว่าสองสามีภรรยาผู้เป็นพ่อแม่ก็ย่อมรักและสเสน่หาในตัวบุตรมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่างไรก็ตามสองสามีภรรยาคู่นี้ก็มีวิธีอบรมขวัญฟ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่แตกต่างกันอย่างมากฝ่ายภรรยาผู้เป็นแม่รักบุตรโดยยึดเอาความต้องการของบุตรชายเป็นใหญ่ไม่ว่าบุตรชายอยากจะได้อะไร ก็จะหามาให้ไม่เคยขัดแต่ฝ่ายสามีผู้เป็นพ่อรักบุตรโดยยึดเอาคุณธรรมความถูกต้องเป็นสำคัญหากขวัญฟ้าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามความผิดนั้นๆด้วยเหตุนี้ในระยะหลังๆสองสามีภรรยาจึงมีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดเอาละ่ะฝ่ายสามีตัดสินใจพูดขึ้นในวันหนึ่ง ฉันไม่อยากให้เราเทะเลาะกันเรื่องลูกอีกต่อไปแล้วในเมื่อเธอเป็นแม่ฉันก็จะยกหน้าที่ในการอบรมลูกให้แก่เธอแต่อย่าลืมสังเกตว่าการเลี้ยงดูของเธอนั้นทำให้ลูกเป็นคนดีได้มากน้อยแค่ไหนด้วยอ๋ อ, อแน่นอนฝ่ายภรรยาร้องอย่างสำคัญผิด ฉันทำให้ลูกเป็นคนดีได้แน่วิธีการเลี้ยงดูของฉันก็คือการให้ความรักแก่ลูกอย่างไม่รู้จักหมดไม่ใช่เอะอะก็ดุด่าทำร้ายจิตใจลูกอย่างเธอคอยดูเธอขวัญฟ้าจะเป็นคนดีเพราะความรักที่ฉันมอบให้เขานับจากวันนั้นฝ่ายสามีก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับการเลี้ยงดูบุตรชายของภรรยาอีกเลยนอกจากเฝ้าสังเกตความเป็นไปอยู่ห่างๆเท่านั้น การมอบความรักอย่างไม่รู้จักหมดของภรรยา น, นั้นแท้ที่จริงก็คือการตามใจอย่างไม่มีขอบเขตนั่นเองขวัญฟ้าโตขึ้นทุกวันและเริ่มแสดงนิสัยไม่ดีออกมาทีละอยา่าง<ม>เขาทำบ้านลเลอะเทอะไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน<ม>เกียดคร้านการศึกษาและเอาตัใจตัวเองเป็นที่หนึ่งคำพูดคำจา ก, ก็ชักเจะห้วนห้วนไม่น่ารักดังแต่ก่อน อีกทางยังชอบพูดจาส่อเสียดข่มขู่เพื่อนๆและขาดสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อย่างสิ้นเชิงฝ่ายสามีที่ตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งกับการเลี้ยงดูบุตรของภรรยานั้นเมื่อเห็นขวัญฟ้าเริ่มบ่มเพราะนิสัยไม่ดีมากขึ้นก็รู้สึกกังวลใจจึงพยายามเปรยๆให้เธอคิดได้บ้างหมู่นี้ขวัญฟ้าไม่รักษาความสะอาดในบ้านของเราเลยนะ ฉันเห็นเขาทิ้งขยะเรียราดไปทั่วกินข้าวเสร็จก็ไม่ช่วยล้างเหมือนเมื่อก่อนฝ่นายภรรยาตอบว่าโท่ลูกของเรายังเด็กอายุก็เพิ่งจะแปดขวบจะไปรู้อะไรล่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วนิสัยไม่ดีพวกนี้ก็จะหายไปเองแหละสามีเห็นว่าพูดกับภรรยาคงไม่ได้ผลจึงแอบคุยกับผนฟ้าด้วยตัวเองว่า เดี๋ยวนี้มีคนมาพูดกับพ่อหลายคนว่าลูกเป็นเด็กไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะเวลาพูดกับผู้ใหญ่ลูกไม่ค่อยมีหางเสียงเลยพ่อคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีแม้แต่น้อยลูกคิดว่าลูกควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างแต่ขวัญฟ้าก็ตอบอย่างไม่อีนังคังขอบนะว่าผมก็รู้คับพ่อเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาทักทายผมเหมือนเมื่อก่อน แต่แม่ก็บอกผมเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววิสัย ไ, ไม่ดีพวกนี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าผมรู้ความมากขึ้นผู้เป็นพ่อถึงกับพงะไม่ได้รับคําตอบเช่นนั้นเขามิคาดคิดมาก่อนว่าภรรยาจะปลูกฝังความคิดที่เลวร้ายและผิดเพียนเช่นนี้ให้แก่ลูกอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ตัดสินใจว่าจะรอดูเหตุการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เหตุการณ์ในครอบครัวนี้ก็ยังคงดําเนินไปเหมือนดังเช่นทุกวันผู้เป็นแม่ไม่เคยขัดใจลูกชายทําให้ลูกชายได้ใจจนกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจและก้าวร้าวมากขึ้นทุกวันส่วนผู้เป็นสามีและพ่อก็เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ห่างๆด้วยความอึดอัดใจเต็มทนจนกระทั่งในที่สุดเรื่องราวบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อฝ่ายสามีซึ่งออกไปทํางานในสวนผลไม้ของตนกลับมาพบภรรยานั่งร้องไห้อยู่หน้าประตูบ้านเขาจึงรีบปลี่เข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงก็ลูกชายตัวดีของคุณนะสิทําเลวร้ายกับฉันเขาแล้วภรรยาว่าพางร้องไห้ฟูมฟายตอนเช้าฉันก็พูดกับเขาดีๆเรื่องให้อ่านหนังสือบ้างอย่าห่วงแต่เล่นเขาก็โตกลับมาว่า ฉันก็เป็นคนบอกเขาเองไม่ใช่หรือว่าเมื่อโตขึ้นเขาก็ดีได้เองจากนั้นก็เถียงฉันด้วยท่อยคําที่หยาบคายและไร้กาศต่างๆแล้วนาะฉันบอกเขาว่าทําอย่างนี้กับแม่ไม่ได้นะเขาก็ว่าทําไมจะทําไม่ได้แม่ก็แค่แม่แม่ต้องทําตามที่เขาสั่งไม่ใช่มาสั่งให้เขาทําฉันโกรธมากเลยก็เลยว่าเขาไปหลายคําอย่างที่ไม่เคยว่ามาก่อน ทีนี้เขาเลยวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูบ้านใส่หน้าฉันคุณดูสิเด็กอะไรก็ไม่รู้่ังร้ายกาจเหลือเกินแล้วเธอก็ปล่อยโฮออกมาเสียงดังลัน่นฝ่ายสามีไม่ได้ตกใจกับเรื่องที่ภรรยาเล่านะเพราะเขาคาดการเอาไว้แล้วว่าเหตุการณ์เช่นนี้ต้องมาถึงในสักวัน ภรายาของเขานั้นแม้จะรักลูกมากเพียงใดแต่เธอก็เป็นคนสุภาพนิ่มนวลเขาเชื่อว่าเธอไม่มีทางจะยอมรับหลอกหากว่าขวัญฟ้าลุกขึ้นมาทำอะไรเช่นนี้กับเธออย่างที่เคยทำมาแล้วกับคนอื่นๆที่รักของฉันฝ่ายสามีซึ่งรอให้ภรายาผ่อนการร้องไห้ลงแล้วเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวล สิ่งที่ลูกทำก็เพราะเธอเป็นคนปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เขาเธอทำให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นที่รักของเธอไม่ใช่ที่รักธรรมดาด้วยนะแต่เป็นลูกชายที่เป็นพระเจ้าของแม่เธอทำให้เขาเชื่อว่านิสัยเลวร้ายที่เขาแสดงออกมาแก่คนอื่นนั้นไม่ใช่สิ่งไม่ดีและมันจะหายไปเองเมื่อเขาโตขึ้นนั่นเองที่ทำให้ในที่สุดแล้ว ขวัญฟ้าก็นํานิสัยไม่ดีของเขามาแสดงแก่เธอนี่นี่เธอจะว่าฉันผิดใช่ไหมเธอใจไร้มากที่ซ้ําเติมกันแบบนี้ฝ่ายภรรยากลับมาร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอีกครั้งอยากเข้าใจฉันผิดสิที่รักที่ฉันพูดก็พอต้องการชี้แจงเหตุผลให้เธอรู้ต่อจากนี้ไปเธอจะได้เข้มแข็งไม่รักลูกอย่างผิดๆอีกเอาล่ะฉันจะลองพูดกับเขาดู แต่ต่อไปนี้เราสองคนต้องช่วยกันเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตอย่างถูกต้องเสียทีนะพันรยาพยักหน้ารับคำสามีเธอเองก็คิดว่าเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วดังนั้นฝ่ายสามีจึงเปิดประตูบ้านเดินเข้าไปหาบุตรชายซึ่งหน้าถมึงทึงอยู่ในห้องครัวพ่อจะมาดุด่าผมใช่ไหมครับขวัญฟ้ากล่าวอย่างมีอารมณ์ จะมาว่าผมนิสัยไม่ดีอย่างที่แม่ว่าละสิก็ทําไมละ่ะในเมื่อแม่เป็นคนบอกเองว่านิสัยไม่ดีจะหายไปเองเมื่อโตขึ้นไม่ใช่หรอผู้เป็นพ่อนิ่งฟังลูกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าขวัญฟ้าลูกพ่อพ่อไม่ได้มาดุด่าอะไรลูกเพียงแต่จะมาชวนลูกไปเดินเล่นในสวนของเราเท่านั้นขวัญฟ้ามองหน้าพ่ออย่างแปลกใจ แม้เขาจะเริ่มแสดงนิสัยไม่ไดีออกมาเช่นไรแต่อย่างน้อยพ่อผู้ไม่เคยตามใจเขาก็ทำให้ขวัญฟ้ายังคงยำเกรงอยู่บ้างดังนั้นเมื่อเห็นว่าพ่อไม่ได้มีทีท่าว่าจะดุด่าหรือเคี่ยนตีให้เจ็บปวดเขาจึงยอมเดินตามพ่อเข้าไปในสวนผลไม้แต่โดยดีสวนผลไม้ของพ่อขวัญฟ้ามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่มากมายหลายชนิด ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินผ่านต้นไม้แต่ละต้นอยู่นั้นจู่ๆพ่อของขวัญฟ้าก็ชี้ไปที่ต้นไม้เล็กๆที่เรียผิวดินอยู่ต้นหนึ่งแล้วพูดว่าขวัญฟ้าลองถอนต้นไม้ต้นนี้ดูสิลูกขวัญฟ้าทําตามที่พ่อบอกแล้วเขาก็สามารถถอนต้นไม้เล็กๆต้นนั้นได้อย่างง่ายดายผู้เป็นพ่อยิ้มและพาบุตรชายเดินต่อไปโดยไม่พูดอะไร ทั้งสองเดินมาจนถึงต้นไม้เล็กอีกต้นที่สูงประมาณหัวเขา่าผู้เป็นพ่อจึงบอกให้บุตรชายถอนต้นไม้อีกครั้งต้นเล็กนิดเดียวเองสบายมากครับพ่อขวัญฟ้าพูดก่อนจะถอนต้นไม้ขึ้นมาอย่างไม่ลำบากแม้แต่น้อยจากนั้นผู้เป็นพ่อจึงพาบุตรชายเดินต่อไปอีกขวัญฟ้าถูกพ่อของเขาใช้ให้ถอนต้นไม้ไปตลอดทางที่เดินแต่ต้นไม้ก็จะเพิ่มขนาดขึ้นด้วย จนในที่สุดขวัญฟ้าก็ถอนต้นไม้ขึ้นมาแทบไม่ไหวพ่อใผมถอนต้นไม้พวกนี้ทำไมครับต้นไม้ยิ่งใหญ่รากก็ยิ่งลึกผมถอนคนเดียวไม่ไหวหรอกพ่อมาช่วยผมหน่อยสิครับขวัญฟ้าบ่นกระปอดกแปดแต่พ่อของเขาก็ไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยแม้แต่น้อยนอกจากยืนยิ้มและมองดูบุตรชายพยายามถอนต้ น, ตนไม้อยู่อย่างนั้นหลังจากที่ต้องใช้พลังกาลังทั้งหมด ขวันฟ้าก็ถอนต้นไม้ต้นนั้นจนได้พ่อของเขาจึงพาไปต่อที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีความสูงเท่ากับขวันฟ้าและลำต้นก็หนาใหญ่ดูแข็งแรงมากทีเดียวถอนมันขึ้นมาสิลูกผู้เป็นพ่อบอกโอ้ยพ่อครับต้นใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ไหวแน่ๆ่ขวันฟ้าพูดอย่างถอนใจพ่อจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อจะช่วย แล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันถอนต้นไม้อยู่เป็นเวลานานแต่ไม่มีทีท่าว่าจะสาเร็จรากของต้นไม้คงชอนชัยลงไปลึกมากและยึดตัวแน่นแม้จะพยายามจนขวัญฟ้าและพ่อเหน็ดเหนื่อยจนริ้กกำลังก็ยังไม่สามารถถอนต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาได้ผู้เป็นพ่อจึงชวนขวัญฟ้าไปนั่งพักและพูดว่าจำไว้นะลูกต้นไม้ก็เหมือนคนเรานี่หละ ถ้าเรารู้ว่ามีนิสัยไม่ดีอะไรอยู่ในตัวเองก็ควรจะรีบดึงมันออกไปให้พ้นจากตัวเราเสียอย่าเก็บเอาไว้อีกเพราะถ้าเราเก็บสะสมนิสัยที่ไม่ดีและความชั่วไว้ในจิตใจของเรามากๆนั้น <c oughs> เมื่อถึงวันที่เราอยากดึงมันออกเราก็จะดึงมันออกได้ยากอย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นวันที่ความไม่ดีครอบงำชีวิตเราจนทําให้เรากลายเป็นคนชั่วไปนะลูก ขวัญฟ้าเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พ่อต้องการจะบอกและมีความคิดไฝ่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพราะขวัญฟ้าก็ไม่อยากจะเป็นคนชั่วเลยแม้แต่น้อยเธอทั้งหลายเราควรปลูกต้นไม้แห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราและจงฝังรากแห่งความดีนั้นลงไปให้ลึกที่สุด เพราะหากใครก็ตามต้องการจะทำลายความดีงามของเราและดึงสิ่งดีๆในจิตใจของเราไปเขาก็จะดึงออกไปไม่ได้และความดีนั้นก็จะอยู่คู่เราตลอดการตรงกันข้ามหากมีต้นไม้แห่งความไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราเราก็ต้องรีบถอนมันทิ้งเหมือนกับเราที่ต้องถอนวัชพืชเพราะความชั่วไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามขึ้น อีกทั้งจะคอยก่อกินความสุขในชีวิตของเราให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยนอกจากนั้นยังทำให้เราหมดโอกาสใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่อุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นคนอีกด้วย